กำลังฟังรายการสัสนิสนทนาอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทอร f m ยกนะคะกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติร้อสถานีค่ะหลังจากที่เราได้ฟังการอ่านพระสูตรโดยพระมาร์คชาคาวโรเพื่อที่จะให้เราเหมือนกับเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีนะคะได้เข้าถึงคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสิ่งที่ดิฉันเองปรารถนาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่ดีในชีวิตไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมาบางคนอาจจะกลัวก็เลยต้องฟังเฉพาะคำอธิบายที่มีครูบาอาจารย์มาทำให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นแต่วันนี้เนี่ยมีครบทุกส่วนเพราะว่าในลำดับต่อไปที่จะมาถึงช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะก็จะทาให้ท่านกระจ่างมากยิ่งขึ้นในคาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะกับพระอาจารย์ภั ย, ยบูลอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศกจงังหวัดอุดรธานีค่ะน้มสักการค่ะท่ะทานคะเค่ะวัน น, นี้ท่านมาได้อธิบายได้พูดถึงพระสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องการประกาศธรรม จ, จักรใช่ไหมค่ะอธรรม จ, จักรคือการเทศกันแรกอั น, อนที่พระพุทธเจ้าเทศอยู่ที่ทำให้การสุตูเนี่ยที่ป่าอิศิปตนะเนี่ยเป็นการเทศที่สำคัญ เพราะว่าพูดถึงเรื่องเรียสัจสี่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสสอนเทศสอนเองเลยแล้วก็ผู้ที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยจะเป็น อ, อ่พระก็ตามหรือครว่ายก็ตามเนี่ยถ้าฟังอยู่หรือว่ามีคนอื่นที่เราจะไปต่ายก็บอกสอนว่าเออเราจะช่วยกันช่วยพระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรเนี่ อ, อช่วยกันบอกสอนเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะต้องมีคุณสมบัติห้าข้อนี้พระพุทธเจ้าบอก ว่าคนที่จะมาช่วยหมุนธรรมจักรเนี่ยนะจะต้องมีห้าอย่าง ม, มีคุณสมบัติอยู่ห้าอย่างคือเป็นคนที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณที่พอเหมาะรู้จักการแล้วก็รู้จักปริษัท ก, การนี่คือหมายถึงการละนะหลักที่ห้าคือรู้จักปริษัทมีคุณธรรมห้าอย่างนี้นะจะสามารถหมุนธรรมจักรให้เป็นไปได้ค่นะแล้วถ้าเราเพิ่มอีกสองอย่างนะคือเป็นคนรู้จักตนด้วย แล้วก็เป็นคนรู้จักบุคคลด้วยันคุณธรรมเจ็ดอย่างเนี่ยเรียกว่าสับหริ่สธรรมคือคุณธรรมของคนดีค น, คนที่จะเป็นสับบุรุษได้คนที่เป็นสับบุรุษเนี่ยนะอะไรมาจะบอกว่าพระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นสับบุรุษเนี่ยเมื่อมีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นําเอาปัญหามาลดหย่อนหลีกเลี้ยวกล่าวความไม่ดีของบุคคลอื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ ให้รู้ไปเถอดว่าคนคนนี้เป็นสับรุษเป็นคนดีเหนือไหมถ้ามีใครมาถา ม, ถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เอาปัญหามาลดหย่อนเีกเดียวแต่กล่าวความดีของบุคคลอื่นอย่างพิสดารเต็มที่เหนือไหมคคือเรื่องของเรื่องดีๆของคนอื่นเนี่ยโอ้เอามาแฉเรื่องไม่ดีของเขาพูดน้อยๆ อ, อย่าพูดมากเราก็จะมีแต่การยกย่องคนอื่นมีแต่การพูดดีกันเหนือไหม นี่คือคนดีเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณสมบัติเ็ดอย่างนะคือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทรู้จักบุคคลเ็อย่างเนี้ยเรียกว่าคุณธรรมของคนดีเอาแค่ห้าอย่างก็พอถ้าจะช่วยพระพุทธเจ้าประกาศธรรมาจจะคือรู้จักเหตุผลรู้จักประมาณรู้จักกาละแล้วก็รู้จักบริษัทห้าอย่างช่วยพระพุทธเจ้าประกาศธรรมาจได้ หมุนธรรมาจากหมายความว่าช่วยประกาศ ธ, ธรรมของพระพุทธองค์ถูกไหมคะเป็นคนที่รู้จักเหตุรู้จักผลคือรู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะมีเหตุใดจึงเกิดผลอย่างนั้นนะคะ<ๆ>เวลาไปอธิบายใครก็จะได้กระจางแจ้งมากขึ้นแ ล, แล้ว ก, การฟังธรรมทุกครั้ ง, งมีพระองค์หนึ่งครั้งหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าฟังธรรมไปทาไมอย่างที่รายการเราเคย ได้อธิบายไปว่าคนที่จะฟังธรรมไม่สาเร็จประโยชน์ได้เนี่ยนอกจากเป็นผู้ที่ไม่คอยจ้องจับปิดในผู้แสดงธรรมไม่คอยฟังแต่คําพูดไม่คอยสนใจแต่ผู้พูดแล้วเนี่ยมีจิตเป็นเอกค้ตาแล้วเนี่ยยังมีอีกนัยยะหนึ่งที่บุรุษเจ้าทรงตรัสก็คือว่าให้ฟังแล้วเนี่ยให้รู้ว่าตรงไหนเป็นเหตุตรงไหนเป็นผลค่ ะ, อ, ะอันนี้จะสําเร็จประโยชน์ในการฟังธรรมก็ต้องทบทวนถามตัวเองนะครับเอะที่ผ่านมาเนี่ยเราฟังแล้วเรารู้จักเหตุรู้จักผลไหม <ใน S 1> หรือว่า <ใน S 1> เราฟังแล้วเรา รับมารวมๆเลยงงๆอยู่ก็จําตามแบบนั่นเลยดิฉันเองก็ต้องมาทบทวนตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ<ช>ว่าต่อไปนี้ถ้าจะฟังแบบคนมีปัญญาฟังแล้วต้องรู้เหตุรู้ผลถูกต้องค่ะก็ ค, ะคือจะเห็นเหตุส่วนที่เป็นเหตุได้เห็นส่วนที่เป็นผลได้เนี่ยจิตต้องเป็นสมาธิในการฟังธรรมค่ะฟังรายการนี้อยู่เนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เราส่งมาได้พูดพุทธวจนะเนี่ยเรามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยสบายละ ค่ ะ, ะที่ว่ารู้จักประมาณเนี่ยคุณสมบัติของผู้หมุนธรรมจ่าอีกข้อหนึ่งหมายความว่าประมาณอะไรคะประมาณที่พอหมอเนี่ยมีหลายนายา ม, มากค่ะเอาแค่ว่าเราเราพูดถึงประเด็นธรรมะที่เราพูดเลยนะถ้าจะมาจะพูดประเด็นสักร้อยแปประเด็นอัดกันเข้าไปอยู่ในช่วงเวลาประมาณยี่สินาทีเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากเราเอาจจเลือกแค่ประเด็นที่สําคัญสำคัญพอประมาณที่คนฟังจะรับได้พอจะย่อยได้คือไม่ใช่ว่า เอ า, าน้ำมาทั้งมาหาสมุทรเลยเอาเลือกมาเฉพาะที่จะมาดื่มใช่ที่สําคัญสำคัญเอามาในยามที่จําเป็ น, น, นจำเป็นใช่นะคะจัดลําดับความสําคัญให้ถูกปริมาณให้ถูกใช่และการอะไรคะท่านคะการก็คือบริจาคได้ตรัสไปแล้วว่าอะไรนะที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นความเป็นความไม่เป็นความจริงเนี่ยพวกค์ไม่ไม่ตรัสอยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ มีประโยชน์เนี่ยแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยนะคนฟังจะไม่ชอบเนี่ยจะรู้จักการที่พอเหมาะในการที่จะกล่าววาจาหนะคือห ม, มายถึงเวลานั้นต้องพิจารณาดูด้วยว่ามันควรไม่ควรมากน้อยแค่ไหนไกว้างขวางอย่างไรนะคะใช่ว่าใ ห, ให้ให้มันเหมาะสมเวลาบริษัทแหะคะบริษัทก็คือกลุ่มจำกัดหรือมหาชนก็ท่านใช่ทั้งนั้นบริษัทเนี่ยก็คือกลุ่มคนจะมากกว่าสองขึ้นไปค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นอะจะเป็นกลุ่มคนจะเป็น กลุ่มพิสุบริษัทภิสุณีบริษัทหรือพุทธบริษัททั้งหลายนะก็ก็ได้แล้ว <คะ S 2> แต่กลุ่มคนที่เหมาะสมคะ่ะคือในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนทำมาหากินต่างๆนานาแบบบริษัทในโลกปัจจุบันแต่หมายถึงว่ากลุ่มคนมากกว่าสองคนขึ้นไปใช่แล้วแล้วความเป็นสัมมาสมัมพุทธะเนี่ยคืออาจารย์ที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยการประกาศธรรมจากของพระองค์เนี่ยทุกบทพยัญชนะทุกคาพูดทุกทุกตัวอักษรเลย มีความสําคัญหมดเพราะว่าพระองค์ทรงกําหนดสมาธินี้มิตุกคางในการพูดพูดไม่ผิดคําพูดทุกคํามีความหมายหมดเพราะฉะนั้นในรายการของเราเนี่ยจึงยืนยันที่ว่าให้มีส่วนที่เป็นพุทธวจนะยืนปืนไว้ค่ะอธิบายก็น้อยหน่อยในที่นี้ก็เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะช่วยที่จะเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ถามตัวเองซิเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลไหมรู้จักประมาณไหมรู้จักการไหม รู้จักบริษัทไม้อย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ทําหน้าที่ไปประสารีบุตรเป็นพระที่ได้รับยกย่องอย่างนี้ใช่นะคะเป็นคุณสมบัติอย่างนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ถ้านอาจารย์คะทีนี้เดี๋ยวถามเรื่องธรรมจักรที่ฉันนึกขึ้นได้เพิ่งไปคุยกับท่านส ว, วคนดังคนหนึ่งของอรัฐสภาไทยตอนนี้พอคุยรู้ว่าดิฉันทํายการธรรมะท่านก็เลยบอกเออนี่ไปอินเดียมันะไปเยี่ยมโลกสภาหมายถึงว่าเป็น รัฐสภาของอินเดียนะคะแล้วบอกว่ามีความประทับใจก็คือเขาก็ได้นําชมแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าการประชุมที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของโลกสภานั้นเขาได้หยิบยกการประชุมสังคานาพระพุทธศาสนาครั้งแรกบอกว่าเน่ยเป็นตัวอย่างของการประชุมที่โลกสภาอินเดียได้นําออกมาเป็นบรรทัดฐานในการทํางานค่ะ แล้วก็ฝากมาบอกบอกว่ายังไงเนี่ยบอกคนไทยนะอย่าลืมระลึกว่าอินเดียเนี่ยแม้เขาจะมีลัทธิหลายลัทธิอย่างที่ท่านพูดว่าสมัยพุทธกาลน่ยมีถึงหกสิสองลัทธิใช่ไหมคะใช่แต่ว่าในวันที่เขาจะออกแบบธงชาติเนี่ยเขาได้ยึดเอาธรรมาจากไปเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของธงชาติของเขาซึ่งเป็นความน่าภาคภูมิใจใกับพวกเราที่นับถือศาสนาพุทธค่ะท่านอาจารย์คะเพียงพอไหมคะสําหรับเรื่องของ การหมุนธรรมจากของพระพุทธองค์ในเวลาที่ผ่านไปดิฉันจะได้ไปเรื่องอื่นอีกเช่นเดียวกันค่ะก็คือเรื่องของความเป็นอ่าเป็นธรรมโดยราชาอ๋อค่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งอ่าเป็นธรรมพระองค์เนี่ยเป็นธรรมราชาค่ะอ่าคือเป็นราชาโดยธรรมค่ะเพราะฉะนั้นก็เคารพธรรมนะบูชาธรรมะอ่าแล้วก็ตถาคตบอกว่าตถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเป็นผู้เคารพธรรมอ๋อพระพุทธองค์เองทรงเปรียบ พระองค์เองว่าเป็นราชาโดยธรรมใช่เป็นธรรมราชาค่ะถามว่าธรรมราชาเนี่ยจะเคารพอะไรค่ะก็ต้องเคารพธรรมสิน<ม>ี่ยเหรอไหมค่ะพระพุทธจ้าพูดไปชัดเจนเลยบอกว่าบุคคลผู้หวังอยู่ซึ่งคําสอนของพุทธะเนี่ยพึงเคารพพระสัจธรรมเถิดค่ะอืมแม้แต่พระพุทธองค์ดืฉันเองก็เคยอ่านแล้วก็ทึ่งนะคะว่าพระพุทธองค์แต่สรู้สิ่งนี้เองแต่บอกว่าตัวพระพุทธองค์เองก็เคารพธรรมใช่ ใชไมคะดังนั้นพวกเราขอให้ตระหนักนะคะว่าทำนั้นต้องเป็นของสูงมากและต้องเป็นของดีมากพระศ า, าสดายังต้องเคารพเลยเราจึงต้องเคารพทำด้วยุคคลผู้รักตนหวังอยู่ต่อคุณอันใหญ่ระลึกถึงซึ่งคําสอนของพุท ธ, ธะอยู่จงเคารพพระสัจธรรมเถิดอันนี้ก็เป็นพุธทธเจนะที่ฝากเอาไว้ให้มหาชนและเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วก็ในการใดแลที่หมู่สงประกอบด้วยคุณอันใหญ่ในการนั้นเราก็มีความเคารพแม้ในสง แม้แต่ประสงค์ถ้าหากว่าประกอบในคุณอันใหญ่หมายความว่าอะไรคะท่านคะก็คือบรรลุอที่สุดแห่งพรหมจรรย์อ๋อก็คือว่าเปลี่ยนปฏิบัติในการที่จะบรรลุที่สุดแห่งพรหมจรรย์การปฏิบัติพรหมจรรย์คือต้องบรรลุแล้วถึงจะเคารพหรือเปล่าคะก็คือว่าเดินตามมรรคนี่แหละถ้าเดินตามมรรคก็คือมีการเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นที่หวังหละค่ะคือถ้าเป็นพุทธเจาก็เคารพในทรงระเภ์นั้น ใช่ค่คือไม่ใช่ว่าเป็นพระศาสดาแล้วจะไม่เคารพในพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์มีคุณสมบัติดังกล่าวพระพุทธองค์ก็ยังต้องเคารพใช่นะคะค่ะเหลือเวลาอีกสี่นาทีท่านคะก็จะอธิบายเรื่องที่พูดค้างไว้เมื่อวานนี้คือเรื่องของออที่สรุปเมื่อวานวจะอธิบายว่า เ, เหมือนกับคือเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของสารการในสังคมปัจจุบันใช่ไหมค่ะ แล้วเราก็พูดถึงว่าเราจมายกตัวอย่างว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเดินทางมาอย่างทางไกลเลยต้องการจะกลับบ้านแล้วระหว่างที่เขาเดินทางไกลามาเนี่ยเขาก็แบกอ่าได้ป่านปอคือเหมือนผ้ากระสอบกระสอบข้าวเคยเห็นไหมกระสอบข้าวเนี่ยจะเป็นผ้าป่าได้ป่านที่เนื้อหยาบถูกไหมแบกม้วนได้มาใหญ่มากนะอยู่บนหลังเขาแบกมาอย่างหนักเป็นเวลานานเสร็จแล้วพอมาถึงข้างทางเนี่ยพบได้ นะซึ่งซึ่งขนาดใหญ่มากเหมือนกันเป็นได้เนื้อละเอียดทาจากผ้าใหม่ทําจากอาตัวใหม่่คะเขาบอกว่าโอ้ <c oughs> โหละอุาสาดแบกได้ป่านปอ น, นี่มาตั้งนานละการที่จะทิ้งได้ป่านปอไปเนี่ยแล้วเอาได้ไหมเนี่ยนะเป็นของที่อยู่อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าละอุสาดแบกมาตั้งนานละจะได้ขอ <c oughs> งเก่าได้ของเก่าที่อุสาดถือม า, านานก็เลยยอมแบกหนักแบกเพิ่มหนักไปต่ออันนี้ไม่เอาหรอกถึงแม้มันจะมีค่ามากกว่า อ๋อไม่เอาเลยนะคะไม่เอา <preferences. S 2> เพราะว่าอุาตส่าห์แบกทันนี้มาตั้งนานแล้วค่ะเดินไปอีกหน่อยหนึ่งคือเขาถือได้ผ่านปอมาเนี่ยด้วยความคิดที่ว่าเออเ น, นี่ยเราจะเอาไปซากซักล้างฟอกอย่างดีทําให้เป็นเนื้อละเอียดแล้วไปตัดเสื้อผ้าให้ลูกให้เมียค่ะพอมาเดินอีกหน่อยเจอผ้าไหมอย่างดีที่ฟอกล้างทําเป็นสีอย่างดีแล้วเนี่ยก็คิดว่า <ethnicity> เราอุาตส่าห์แบกได้ผ่านปอมาตั้งนานไม่เอาดีกว่ า, ไ ม, า, วาไม่เอาได้เนื้อละเอียดนี้ดีกว่าถืออันนี้ต่อไปค่ะเดินไปอีกหน่อยหนึ่ง พบเจ อ, เ อ, อผ้าพับหนึ่งเป็นผ้าไหมเนื้อดีย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวก็คิดว่าแม้เราคิดว่าเราจะแบ่ได้ผ่านปอมาเนี่ยไปฟอกซักล้างเอามาทอให้ดีตัดเสื้อผ้าเพ<ผ>ื่อใลูกผู้ชาแต่งมาตั้งนานละไอผ้าพับเนื้ออย่างละเอียดอย่างดีอันนี้ยเป็นผ้าไหมเนี่ยอย่าเอาเลยแล้วก็เดินไปอีกดเดินไปอีกก็พบเงินเป็นเงิน เ, เป็นเหรียญเงินอยู่ในกระสอบเงินจํา น, นวนมากเลย เราแล้ ว, ลวเขาก็คิดมาโอ้โหเราอุตส่าห์แบกได้ป่านปอมาตั้งนานแล้วเนี่ยเดินมาก็เหน็ดเหนื่อยแล้วเนี่ยจะให้ทิ้งได้ป่านปอแล้วไปเอาถุงเงินเนี่ยไม่เอาดีกว่าค่ะแล้วก็เดินไปอีกพบถุงทองทองคําแท่งก็คิดอย่างเดียวกันไม่เอาถามว่าคนคนนี้ยไม่ค่อยฉลาดนะคุณแบบนี้ก็มีแต่มัน ม, มีจริงๆนะครท่านก็อย่างเหมือนกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่ายึดติดในความคิดใ น, ในอดีตที่เรามีผ่านมาแล้วค่ะ เราก็บอกว่าของใหม่ๆเนี่ยไม่เอาหรอกของดีๆธรรมะบอกให้อยู่ในศีลไม่เอาอันนี้ไม่ค่อยฉลาดถ้าเราบอกว่าเราจะอยู่ในสังคมได้คุณต้องเป็นคนมีศีลเราพิจารณาศีลว่าเราต่อชู้เพื่ออะไรคุณต่อชู้เพื่ออะไรก็แล้วแต่มีศีลไว้ก่อนแผ่เมตตาไว้มีพรมิหารศีลมีศีลมีพรมิหารศีลเป็นอปันธกะธรรมคือธรรมที่ไม่มีการผิดต่อให้ใครถูกจริงหรือใครผิดจริงเราก็ไม่ผิดเพราะว่าเรามีศีลมีพรมิหารศีล เมื่อบว่าเป็นผู้ที่มีความสุขในปัจจุบั น, นบพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีศีลมีพรมิหารศีเนี่ยมีความสุขในปัจจุบันสี่อย่างแน่นอนยอย่างแรกเนี่ยต่อให้ชาติหน้ามีจริงนะหรือว่าใครถูกจริงใครผิดจริงเนี่ยเขาก็ อ, อพบหน้ามีจริงเนี่ยต่อไปถ้าพบหน้ามีจริงเนี่ยเขาก็จะมั่นใจว่าโอ้ฉันไปสู่พบนั้นแน่นอนหรือข้อที่สองถ้าพบหน้าไม่มีจริงนันปัจจุบันนี้เขาก็มีความสุขแน่นอน หรือข้อที่สามถ้าบาปที่เขาทําเนี่ยถ้าคนทําบาปแล้วเนี่ยจะไปสู่ทุกขติจริงเนี่ยเขาจะมั่นใจเลยว่าเขาไม่ได้ไปเพราะเขาไม่ได้ทําบาปสี่แล้วถ้าชาติหน้า่าถ้าชาติหน้าไม่มีจริงคือทุกขติไม่มีจริงเนี่ยนะปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ทําบาปเขาก็เป็นสุขเขามั่นใจได้เลยว่าเขาไม่ต้องกังวลเรื่องที่ต้องไปติดคุกติดตารางเพราะว่าเราอยู่ในศีลเรามีพรมิอรย์สี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นมีอดีตอะไรราวางไว้ก่อนวางไว้ก่อน เอาของใหม่ที่เป็นศีลเป็นธรรมค่อยพูดค่อยจากันอย่าว่ากันอย่าด่ากันอดทนให้รักกันให้ไม่เบียดเบียนกันมีอะไรก็มีความรักความเมตตากันถึงจะดีค่ะวันนี้เราก็พยายามที่จะให้ทําเข้าไปในสังคมหมายถึงธรรมะนะคะส่วนบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยมันสายไปแล้ววันนี้ไม่มีใครเปิดใจรับฟังแล้วแก้ที่ตัวเราเองก่อนดีไหมคะ แล้วก็ค่อยๆชักจูงคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ค่อยๆส่งเสียงอันดังออกไปทําตัวเป็นคนที่พยายามจะหมุนธรรมจักรด้วยการพยายามทําตัวเป็นคนที่มีคุณสมบัติในการจะหมุนธรรมจักรแล้วมันคงจะได้ผลม า, มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราช่วยกันพยายามอย่าท้อนะคะแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนในสังคมนี้เราจะผ่านวันนี้ที่มีสถานการณ์เคร่งเครียดนี้ไปด้วยกันด้วยธรรม ไปสู่ปลายทานที่ดีกว่านะคะวันนี้ก็นมัสการพระคุณเจ้าพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดเรืองธา น, า น, นีเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนมัสการก่ะทั้งคะ่ะส่วนท่านผู้ฟังนะคะก็ขอให้ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตกันอย่างมีสติและมองเพื่อนร่วมชาติของเราไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนด้วยเมตตาจิตนะคะเราพบกันใหม่กับรายการสรนสนีสนทนาได้ในวันพรุ่งนี้ตีห้าเช่นเคยวันนี้พุทธวัตรสวัสดีคะ่ะ